ใหม่เป็นไงใหม่ก็รู้สึกมันก็แรงยึดมันก็น้อยน้อยลงแะครับจิตขณะนี้เป็นไงจิตขณะนี้ <c oughs> ก็ยังลอยๆอยู่ครับเออจิตกระจัดกระจายนะครับให้รู้ทันมันใจมันกระจายดูออกไหมฟุ้งฟุ้งนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ลดดีกรีลงจากช่วงเดือนก่อนออดีแล้วรู้อย่างที่เขาเป็นจิตจะเป็นยังไงนะเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเรา หน้าที่เรารู้ตามที่เขาเป็นรู้แล้วอย่าไปปลุงอะไรต่ออย่างจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วมันจะปลุงต่อมันอยากหายก็พยายามจะบังคับตัวเองบังคับอย่างโน้นบังคับอย่างนี้หรือ ก, กำหนดโน้นกำหนดนี้นะหวังจะให้หายอย่างเงี้ยเราหลงปลุงแต่งแต่ถ้าจิตเขาปลุงแต่งของเขาเองเราก็ตามรู้ตามดูจนปัญญามันแจ้งมันไม่ใช่ตัวเรา มันทํางานได้เองมันจะต่างกันนิดเดียวรู้ความปรุงแต่งเนีย่ยไปช่วยมันปรุงแต่งแล้วรูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งใจมันก็พ้นความปรุงแต่งไปคือเขาก็ปรุงเป็นกิริยาไปนะแต่ใจนี่ไม่คล้องแวะใจนี่ไม่สัมผัสกับความปรุงแต่งนั้นเลยเป็นอิสระหมูเป็นไงหมูวันนี้หมูเพียบเลยหมูเต็มวัดเลยวันนี้ ของผมไปเจอที่หลวงพ่อบอกว่าทําอย่างนี้ผิดเต็มเลยครับคล้ายๆว่าเวลาเวลาดีก็อยากจะจะเก็บเอาไว้นานๆก็ไปเพ่งไว้ไปปร ะ, ะ, ะ, ะครองไว้เวลาไม่ดีก็ไปผักออกอหลวงพ่อไม่ให้ตามใจกิเลสไม่ให้ไปห้ามกิเลสก็ไปตามใจกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเห็นเยอะเลยครับดีแล้วเรารู้ทันมายาความปรุงแต่งนั่นเองใจเราแหละชอบปรุง เจอสภาวะอย่างนี้ก็ปรุงอย่างนี้เจอสภาวะอันนี้ก็ปรุงอย่างการที่ใจเราปรุงแต่งใจเราทำงานเรียกว่าพบนั่นเองมาจากคําเต็มๆว่ากรรมมาพบคือการทำงานของใจเบื้องหลังมันก็คือตัณหาอยากสุขอยากดีอยากสงบงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามุ่งเอาสุขเอาดีเอาสงบนะ ก, ลลก็ล้มลุกลุกลานไปเรื่อยๆ เ, เพราะความสุขความดีความสงบไม่มีในสั่งสารวัตนี้ ที่ถาวรไม่มีมีชั่วคราวแต่เราอยากให้ถาวร อ, อยากได้ของที่ไม่มีมันก็ล้มลุกคลุกคลางนี่การทํากรรมฐานเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไม่ใช่เพื่อให้สุขให้สงบให้ดีแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาดีก็ชั่วคราวนะชั่วก็ชั่วคราวสงบก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเสมอกันหมดเลยนั้นใจจะไม่ดิน้น ใจที่มันไม่ดิ้นรนมันไม่ปรุงแต่งมันรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงมีความสุขนะใจมันไม่ปรุงแต่งมันสงบสุขมีสันติสุขนั่นเองท่านถึงสอนบอกว่าพอละสมุทัยละตัณหาละความดิ้นรนทยานอยากของเราเนี่ยละตัวนี้ได้แล้วก็นี้โรดแจ้งขึ้นมาใจมันจะเข้าถึงสันติสุขทันทีเลย แต่ว่ามันไม่ใช่นิโรธเป็นคลาๆทุกวันนี้เราเห็นนิโรธเป็นครั้งเป็นคลาปในนิโรธเช่นจิตฟุงงซ่านเราทำสมถะก็เป็นนิโรธชนิดที่หนึ่งหรือเราเจริญนิปัสนเนี่ยก็เป็นนิโรธอย่างที่สองเวลาเกิดอริยมรรคเป็นอย่างที่สามเกิดอริยผลเป็นอย่างที่สตัวนิพพานเป็นนิโรธอันที่ห้า มันก็เป็นลําดับลําดับไปของเราตอนนี้เราทําก็ได้ตัวที่หนึ่งกับสบางครั้งก็สมาธิบางครั้งก็วิปัสสนาถ้าสมาธิเราก็ข่มกิเลสไว้ได้ชั่วคราววิปัสสนาเราก็รู้ความจริงของกายของใจได้เดาเห็นเลยจะกุศลจะอกุศลก็เสมอกันจะสุขก็ทุกข์ก็เสมอกันไปรู้เรื่อยเลยเห็นแต่ไตรลักษณ์ทุกอย่างก็แสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลานะความสุขความทุกข์กุศลอกุศล แสดงไตร ล, ลักษณ์อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอากุศลตลอดเวลาเอาสุขตลอดเวลาอะไรก็แสดงไตร ล, ลักษณ์ทั้งกุศลทั้งอกุศลเหมือนครูทองเราทั้งคู่นะครูคนหนึ่งเรียบร้อยครูคนหนึ่งดูชั่วร้ายหน่อยดูร้ายนะเนี่ยเกลี้ยกลาดมมันก็สอนธรรมะเท่าๆกันแต่ใจเราไม่หลงตามอากุศลเพราะเรามีสติอ่ะเบอร์เบอรสี่เบอร์สี่ มันมีฟุ้งซ่านนิดหน่อยครับหลวงดีที่รู้นะเบอร์หนึ่งมีโมหานิดหน่อยดูออกไหมดูออกก็ดีแล้วอา้าวหญิงรู้สึกซึมซึมอะฮะใจรู้ซึมนั่นซึมให้รู้ไปอย่าไปเกลียดมันถ้าใจเราซึมนะเรารู้อย่างสักว่ารู้ไม่เกลียดมันจิตใจสงบสบายนะเวลาที่ใจมันฟุ้งซ่านนะเนี่ยเราก็รู้มันอย่าไปเกลียดมันจิตใจก็สงบสบาย เวลาจิตใจเรามีความสงบก็อย่าไปหลงชอบมันนะจิตใจเราก็จะสงบสบายอยงั้นไม่ว่าภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตใจก็มีแต่สันติสุขอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่ามารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างนี้บางครั้งที่เราปฏิบัติตอนนี้เรายังรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ก็รู้บ้างเผลอบ้างรู้ทันบ้างหลงหลงไปบ้างเป็นธรรมดาจิรัสเป็นไงจิรัสมีโมหะโทสะแล้วก็ประคองบ้าง ดีที่เห็นนะดีที่เห็นคืนประคองเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นหือจิตเราหลงไปแล้วเราไปดึงเอาไว้ก็ทุกข์อ่ะเบอร์เบห้าส่งคันบ้านเลยก็ก็เป็นภรรยาคนใหม่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่อะค่ะลำโพงที่เคยได้ยินเสียงใครชวนทะเลาะแบบเป็นลูกคนโตของตระกูลโทรศัพท์ค่ะก็ลําโพงมันก็ไม่แตกแล้วมันก็ได้ยินชัดดีภาพมันก็ชัดเจนอย่างที่มันเป็น ก็เป็นภรรยาคนใหม่ของสา ม, มีด้วยค่ะใช่ฝึกไปแล้วจะเป็นคนใหม่นะแต่เดิมเป็นคนดีวันนี้ชักเป็นคนร้ายก็ได้ต้องเข้าใจนะแต่เดิมมันข่มไว้ข่มไว้ด้วยการกําหนดด้วยการเพ่งไม่ละ ก, กิเลสหรอกเรากําหนดไปเรื่อยๆไม่ได้ละ ก, กิเลสนะแต่ว่าการที่เราปล่อยให้เขาทํางานแล้วเราเห็นกิเลสปุดขึ้นทั้งวันเลยเขาเกิดดับเกิดดับตอนมันปุดขึ้นมาใหม่ๆเราไม่เข้าใจ เราไม่ชอบอยากให้แต่กุศลเกิดไม่ชอบอกุศลแต่ไปเราจะเห็นเลยทุกอย่างมันทำของมันเองไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวข้องดูไปจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีเราเราไม่มีนล้วมันจะไปพ้นทุกข์จริงๆตรงที่ปล่อยปล่อยวางความยึดถือจิตได้เพราะจิตนี่เป็นสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเนียวแน่นที่สุดยึดเหนียวที่สุดนะ เราจะรู้สึกเลยว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดียเเด๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเดิมนั่นจะเห็นอย่างนี้แต่การที่เราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเห็นจิต ด, ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นจะเห็นแล้วมันขาดจากกันนะเป็นคนละดวงคนละดวงไม่ใช่นเดียวกันหรอกเห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปที่แรกใจไม่ยอมรับนะใจไม่ยอมรับดอกตายแล้วตัวเราไม่มี ตัวเราหายไปไหนพอเห็นขันท่ากระจายตัวขันท่าทำงานแล้วก็ชักตกใจตัวเราหายไปไหนเสียดายแต่ว่าให้เข้มแข็งตามรู้ตามดูไปหรือวันหนึ่งใจเนี่ยซึมซับธรรมะใจยอมรับความจริงตัวเราไม่มีหรอกพอปล่อยทิ้งไปได้นะกับมีความสุขที่สุดเลยแต่เดิมคิดว่าต้องมีตัวเราถึงจะมีที่ตั้งของความสุขลืมไปว่าถ้ามีที่ตั้งของความสุขก็ต้องมีที่ตั้งของความทุกข์อ น, นั้นเดียวกันนะ นี่พอปล่อยตัวเราไปได้ปล่อยจิตออกไปได้ไม่มีที่ตั้งแล้วมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขที่ประหลาดที่สุดเลยเต็มอิ่มอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะคนผู้ชายยังมีความรู้สึกติดอัดในใจนิดนิดครับจิตไม่เหมือนเดิมแล้วละ่ะรู้สึกไหมเป็นคนใหม่เหมือนกันเป็นคนดูมากขึ้นมากขึ้นแทรกแสงน้อยลงดีแล้วละ่ะ เหลื อ, อย่อมนี่อยู่ย่อมหนึงหลงอยู่ช่วยส่งจิรัตช่วยสเอเพิ่งมาฟังหลวงพ่อครับเคยฟังซีดีแล้วครับก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรครับ ฟ, ฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องปฏิบัตินะครับคําว่าปฏิบัติเหมือนผีหลอกเราเราได้ยินคําว่าปฏิบัติเราก็คิดว่าต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาเพื่อจะได้บางอย่างที่เหนือธรรมดาคําว่าปฏิบัติจริงๆแปลว่าถึงเฉพาะถึงรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆรู้อย่างที่มันเป็น รู้จะเห็นความจริงรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นความจริงของกายของใจอย่างแต่เดิมเราจะรู้สึกร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเรามาหัดรู้หัดดูมากเข้ามากเข้าจะเห็นว่าทุกข์ล้วนลวนทุกข์ล้วนล้วนเนี่ยกายก็ทุกข์ล้วนลวนจิตก็ทุกข์ล้วนลวนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจะเห็นลึกซึ้งถ้าถึงขนาดเนี้ย อยปล่อยวางละเพราความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้นี่หลวงพ่อพูดไกลนิดหนึ่งนะให้ชี้เป้าสุดท้ายให้ดูหนะึ่งเพื่อว่าเราได้ไม่เดินทะเลทลายออกนอกทางไปมัเราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามที่มันเป็นเรียนจนเข้าใจความเป็นจริงของมันว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้เรียกว่าพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ นะตามรู้กายตามรู้ใจจนวางได้นะไม่ยึดถือก็ลหลุดออกไปเลยไม่มีทุกข์พ้นทุกข์ไปแล้วกายกับใจนี้แหละเป็นตัวทุกข์นอกจากเป็นตัวทุกข์แล้วยังเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยมีทุกข์ซ้อนกันหลายตัวอยู่ตรงเนี้นั้นฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆฟังไปใจมันจะค่อยๆตื่นขึ้นมารู้สึกไหมฟังไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆตื่นครับซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนใครนะฟังไปเถอะไม่ฟังแล้วไม่ใช่มีความรู้เยอะนะแต่ฟังแล้วตื่น พ <itzer> เราตื่นขึ้นมาได้เนี่ยสติรู้กายสติรู้ใจคราวนี้แหละปัญญาตัวจริงจะเกิดปัญญาจากการฟังไม่ได้ช่วยอะไรหรอกปัญญาจากการฟังมันแค่ความจําเท่านั้นเองหรือปัญญาจากการคิดนั่นก็แค่ความคิดเท่านั้นเองแต่ปัญญาจากการที่เห็นความจริงของกายของใจเนี่ยปัญญาตัวจริงจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้ก pues ็ตัวนี้แหละงั้นมันจะมีปัญญาได้ก็เมื่อมันเห็นกายเห็นใจบ่อยๆมันจะเห็นกายเห็นใจได้ก็เมื่อมันตื่นขึ้นมา รู้ดองจากโลกของความคิดคนในโลกนี้อยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาในโลกนี้ไม่มีคนตื่นก่อนนิ้แต่ก่อนพูดประโยคนี้ใหม่ๆนะคนคอมเมตมากเลยว่ามันดูถูกเหยียดหยามกันชัดๆเลยทําไมในโลกมีแต่คนหลงไม่มีคนตื่นทนๆฟังพอวันหนึ่งตื่นขึ้นมาจะรู้เลยชีวิตเราไม่ได้ตื่นจริงมันตื่นแต่ร่างกายใจมันไม่ตื่นใจมันไปหลงอยู่ในความคิดความฝันทั้งวันทั้งคืน คิดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหลงว่าเป็นจริงเป็นจังนะเรื่องราวที่เราคิดเราก็นึกว่าจริงจังเราคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่คิดว่าเรายัางง้นเราอย่างนี้คิดเอาฟังซีดีแล้วคอยรู้สึกเนี่ยคุณเบอร์ห้าใจลอยไปแล้วทราบไหมเอออย่างเนี้ยหัดฟังหลวงพ่อนะไม่ต้องฝึกอะไรมากมายหรอกหัดรู้สภาวะไปใจมันหนีไปเมื่อกี้มันหนีไปดูนึกออกไหมหนีไปทางตา หนีไปดูหนีไปดูไปรเดี๋ยวนึงก็จะหนีไปคิดดูนิดเดียวแต่คิดเยอะๆเดี๋ยวก็หนีไปฟังนะฟังนิดเดียวแล้วก็หนีไปคิดต่อคิดเยอะๆฟังนิดเดียว ใ, ใจจะหนีไปอย่างเนี้หนีทั้งวันแต่เราไม่เคยเห็นถ้าเราเคยเห็นที่เราจะเห็นมันทํางานเองมันไม่ใช่ตัวเราว่าไงพึ่งมาครั้งแรกอะดีแล้วใจเกือบจะตื่นละหัดดูไปเรื่อยๆแล้วนะฟังซีดีหรือเปล่า แล้วทำไมถึงหลุดขึ้นมาได้อย่างนี้เพื่อนพามาค่ะเพิ่งมาเคยฟังเนี่ยเหรอไม่เคยฝึกใช่ไหมก็สวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วก็วนั่นแหละพวกไม่เคยเข้าคอร์สหลุดเงยเพราะไม่ได้ไปปรุงอะไรไว้สมัยพุทธกาลที่เขาฟังแล้วเขาปิ๊งปิ๊ง ป, งปงนะแล้วเขาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยคิดขาฟังปุ๊ก็หลุดไปเลยแต่ก็มีนะบางคนฝึกเพ่งเข้าชาน แต่ฌานหัวเขาฌานจริงๆนะอย่างที่คุณนําเกลนเข้าฌานอย่างที่พวกเราบอกว่าเข้าฌานเข้าฌานไม่ใช่หรอกมันเป็นการข่มใจไว้เฉยๆฌานจริงๆต้องมีความสุขนะมีความสงบมีความสบายเบาเบิกบานที่นั่งเนี่ยเค้นเอาบังคับเอาไม่ใช่ฌานหรอกนะทําไปแล้วลําบากทําแล้วเครียดทำแล้วติดใจลอยไปแล้วซ้ำไหมหนีแวบบไปเลยหนีไปคิด ไปถึงไหนแล้วคะวันนี้ทรงค่ะก็รู้สึกว่ากายใจมันทํางานของมันเองใช่ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมนะวะค่ะหลวงพ่อร่างกายออกตอนนอนร่างกายขยับก็รู้รู้นอนหลับอยู่เนี่ยพลิกพล้ายกวายังรู้เลยแต่ว่าใจมันทํางานแล้วมันก็ไม่ยอมหลับค่ะหลวงพ่อพยายามจะทำสมถะเพื่อให้ร่างกายมันพักมันก็ไม่ยอ ม, มร่างกายมันได้พักอยู่แล้วคร่างกายมันต้องการนอนนานจิตมันนอนประเดี๋ยวเดียวเพราะงั้นจะตกใจนะ งั้นอนนอนนิดๆหน่อยๆเหมือนจะนอนอยู่งั้นนอนส่งเดชไปงั้นอ่ะแต่ฟลิกซ้ายพิกววารู้หมดเลยแล้วเราก็รู้ว่าใจมันไปคิดไปทํางานทั้งวานทั้งคืนแต่เดิมมันก็ทําอย่างงั้นแต่เราไม่เห็นคือมันฝันตลอดคืนอ่ะจิตที่ไม่ฝันมีนิดเดียวตอนที่มันพักจริงๆนะแต่เราไปเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอยู่ข้างในมันตื่นแล้วล่ะตอนนี้เป็นคนใหม่แล้วนะมาเรียนอีกครั้งเนี่ยทําได้อย่างนี้ก็ มาค่หาลวงพ่อหลายครั้งแล้วว่าค่ะดีแล้วเรียนจากหลวงพ่อนะพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกมันจะเป็นคนใหม่แล้วมันจะง่ายรู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สติมันเกิดเองทั้งวันทั้งคืนเลยนะนั่นแหะสติตัวจริงเกิดแล้วมีความสุขมีความสบายแล้วก็เห็นความจริงก็มันจะค่อยรู้ไปเรื่อยสังเกตไหมบางทีเหมือนใจอยู่ต่างหากบางทีใจก็ไหลเข้าไปยึดอารมณ์เนะ เด okay, well> un um um> ี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนไปเรื่อยบังคับไม่ได้คเลือกก็ไม่ได้ดูไปีพยายามเวลาที่จิตใจมันมันคิดคิดไปค่ะหลวงพ่อเราเห็นว่ามันคิดคิดไปเรื่อยเราเหมือนกับเป็นกลางกับมันไม่ได้จะเข้าไปควบคุมเอนั่นแหละตัวร้ายเลยที่หลวงพ่อบอกไงจิตมันปลุงแล้วไม่ใช่ปัญหาคแต่เราอะไรไปช่วยมันปลุง ตรงที่ไปช่วยจัดการมันนะตัวนั้นแหละตัวปัญหาละคนี่แกไม่มันคิดของมันกระหนุงกระหนิงของมันไปทั้งวันทั้งคืนนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ไปยุ่งกับมันแท้จริงขันเนี่ยทํางานของเขาทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วขันน่ะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปเรื่อยๆเราชอบไปยุ่งกับเขาอย่างร่างกายเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันไปนะมันโตขึ้นมามันแก่ไปมันเจ็บไปมันตายไปนีเป็นหน้าที่ของมันเราก็ยุ่งกับมันไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ เวทนาเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันเฉยๆเราก็อยากไปยุ่งกับมันอยากให้สุขถาวอรอยากให้ดีไม่เอาทุกข์อะไรหรือสังขารมันก็มีดีมีชั่วแล้วก็แทรกแซงอยากดีไม่อยากชั่วแทรกแซงจิตใจนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยววิ่งไปทางโน้นเดี๋ยววิ่งไปทางนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนบังคับไม่ได้ก็อยากบังคับให้ได้เนี่ยเราเองแหละเป็นคนแทรกแซงแทรกแซงในสิ่งที่บังคับไม่ได้ เพราขันทั้งหมดเป็นไทรลักษนะเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราพยายามไปฝืนเราพยายามไปบังคับมันอยากให้ได้ดั่งใจมันถึงทุกข์ไม่เลิกเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ความจริงเราเห็นนะขันทํางานของขันทั้งวันทั้งคืนไปเลยใจไม่เกี่ยวใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนรู้คนดูไปอันไหนไม่ฉลาดก็เข้าไปคลุกคลีอันไหนฉลาดหน่อยก็หลุดออกมาคฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะทิ้งใจไม่ใช่ทิ้งอย่างอื่นเลยนะ ไปปล่อยวางใจค่ะเหลือทางนี้หละหลวงพ่อก็จําไม่ค่อยได้แล้วไปทางไหนเพิ่งมาครั้งแรกค่ะไม่เคยฟังซีดีแต่เคยเห็นหลวงพ่อในเว็บค่ะเหลือไม่มีประโยชน์นะหลวงพ่อไปฟังซีดีได้ประโยชน์นะฟังซีดีวิธีฟังซีดีหลวงพ่อให้รู้เรื่องอย่าพยายามฟังแล้วคิดตามซีดีของหลวงพ่อไม่ได้เอาไปให้คิดเล่นธรรมมาไม่ใช่ขอไว้คิดเล่น ฟังซีดีหลวงพ่อรหัดสังเกตใจตัวเองไปเช่นบางทีก็ฟังรู้เรื่องก็สบายใจที่ฟังไม่รู้เรื่องชักจะงงงง ง, งงให้รู้ว่างงฟังไปฟังไปใจลอยหนีไปที่อื่นแล้วรู้ว่าใจลอยให้คอยรู้ใจตัวเองไม่ต้องมาฟังรู้เรื่องหรอกน ะ, ะคุณนวลสิริแค่มีอะไรเพิ่มเติมจากที่กราบเรียนหลวงพ่อเมื่อสักครู่คื อ, คอเมื่อสองวันที่แล้วมีเรื่องที่ทําให้ จิตใจกระทบกระเทือนแล้วก็มีความรู้สึกหวั่นไหวก็รู้ตามความรู้สึกหวั่นไหวแต่ความหวั่นไหวนั้นก็ไม่หมดไปจนกระทั่ง เ, เมื่อเช้ามืดคือตามตีจะตื่นตื่นนอนตีสามตี4ี่มาสวดมนต์เช้าตื่นมาตีสามพอสวดมนต์เสร็จก็เพอเอตรงนั้นมีซีดีแล้วมีของหลวงพ่ออยู่ก็เลยลองกดฟังดูแล้วก็นั่งกรรมฐานปรากฏ ว, ว่ามันเกิดความ รู้อะไรบางอย่างขึ้นมาคือเห็นเหมือนกับตัวเราเองหลุดออกมาจากตัวเราคือไม่ไม่ใช่หลุดคือหมายถึงเห็นสิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อสองวันที่แล้วเหมือนเราเป็นผู้ดูแล้วก็จิตมันก็รู้ขึ้นมาว่าที่กระวนกระวายที่วันไหวเพราะตรงนั้นมันมีความเป็นตัวตนอยู่ก็เห็นความเป็นตัวตนนั้นๆแล้วก็เห็นสิ่งที่มันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปแล้วมันก็มีความรู้สึกโทษเท่านี้เองเหรอ แล้วก็รู้สึกตัวเนี่ยหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วมันเกิดความรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าความอิสระของจิตเนี่ยเป็นยังไงมันมีความรู้สึกมีความเข้มแข็งอย่างประหลาดเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นในสมัยก่อนเวลาเรามีอะไรกระทบแล้วเราหวั่นไหวเนี่ยเราจะทุกข์มากและทุกข์นานแต่นี่พอมันหลุดออกมาเรามีความรู้สึกว่าโอ้โ ôi, เป็นเพราะว่ามันตรงนั้นคือที่เรามีตัวตนแล้วมันก็เห็นชัดเพราะตอนนี้พอมันหลุดออกมาจากตรงนั้น ความเป็นอิสระของจิตเราเพิ่งได้สัมผัสครั้งแรกดีแล้วโยมนะแต่ว่าเวลาเราหัดไปเรื่อยบางทีก็หลุดออกมายอย่างเงี้ยบางทียังเข้าไปเกาะ อ, อีกนะในสุดเราก็อย่ารู้สึกแม้หลุดได้จะดีนะเกาะไม่ดีแล้วอยากหลุดออกมาอีกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เกาะเดี๋ยวมันก็หลุดแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะโยนทิ้งทั้งคู่เลยนะมันวางวางทั้งคู่เลยไม่ใช่ว่าจะเอาหลุดนะไม่ใช่ว่าจะไม่เอาเกาะ คือใจที่มันเป็นอิสระจริงๆแนละ้วมันวางทุกอย่างเลยแล้วมันเป็นอิสระจริงๆอย่างนี้ยังต้องคอยดูแ ล, ไ ม, แลไม่ดูแลไม่ดีเดี๋ยวเข้าไปเกาะอีกแต่ว่าฝึกไปเรื่อยนะวันหนึ่งเนี่ยมันฉลาดเไม่มีอะไรช่วยเราได้เท่ากับปัญญาเลยพระเจ้าถึงสอนนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือปัญญามันเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างที่โยมเข้าใจแล้มันมีตัวตนขึ้นมามันก็ไปรับความทุกข์ไนะม่มีที่ตั้งของความทุกข์ พอถอดถอนออกมาเป็นแค่คนดูไม่ใช่ตัวเรานะความทุกข์ก็ร่วงหายไปแต่ถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นไอ้ตัวที่ถอดถอนออกมาแล้วเนี่ยเป็นคนดูนี่เป็นตัวทุกข์ตัวหัวโจกเลยแต่ถึงจุดนั้นหมายถึงว่ามันจะเดินอรหันตธรรมะ แ, แต่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ <S <S ดีละเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วก็เกิดอย่างนี้เหมือนกันตอนนั้นก็มีเรื่องเข้ามากระทบแล้วก็เห็นตัวเองหลุดออกมาอีกแล้วก็เห็นสิ่งที่มากระทบนั้นเหมือนอย่างกับสิ่งโสโครกที่ไหลผ่าน แล้วเราจิตมันไม่เอาเลย ม, ม, มันปฏิเสธเลยไม่เอาเลยก็ ร, รู้สึกแปลก น, นั่นแหละ ด, ดีแล้วนะฝึกไปอย่างนั้นแหละดีแล้วธรรมะ ม, มันคุ้มครองเราเองเนี่รามีสติในอภิธรรมถึงบอกว่าสติทําหน้าที่อารักขานะมันอารักขามันคุ้มครองใจของเราเองเราไม่ได้ทําอะไรแต่เรามีสติบ่อยๆพออกุศลผ่านมาสติมันรักษาใจนะอกุศลไปทางจิตอยู่ทางไม่เกี่ยวกัน ดีแล้วโมทนานะโนฝึกได้เร็วมากเลยว่าไงคุณปานิะกิเลสครอบงำตลอดเวลาเลยค่ะก็ะะไม่ตลอดหรอกน ะ, ะก็คือบางทีไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าขออนุญาตเล่าย้อนนะคะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนอนฝันคือช่วงหนึ่งมันจะเห็นการปรุงแต่งของจิตที่หลวงพ่อพูดนะบ่อยมากมันจะเห็นเลยว่าจิตมันปรุงจิตมันปรุง แล้วเราไปปรุงตามปรุงตามก็เห็นแบบที่อาจารย์นุนสิริเห็นก็คือว่าเพราะเรามีอัตตายอยู่ค่ะเราก็ไปปรุงตามแล่นตามไอ้การปรุงแต่งของจิตจนกระทั่งวันหนึ่งนอนฝันแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ดีวันหนึ่งนอนนอนแล้วฝันในฝันยังบอกว่านั่นเธอปรุงอยู่นะเจ้าคะ่ะแล้วครั้นั้นมันก็หยุดเลยแต่ว่าเห็นอยู่แว บ, บเดียวอนะเจ้าคะ่ะ เราก็จะเหมือนที่หลวงพ่อบอกคือมันเห็นแล้วมันปล่อยเห็นแล้วก็ปล่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปล่อยตลอดมันก็บางทีมันก็ยึดอ่าบางครั้งมันก็เข้าไปเกาะไว้บางครั้งก็หลุดออกมาเพราะว่ามันยังไม่ใช่ภูมิที่ปล่อยแต่ว่าเราได้เรียนรู้จิตจะเข้าไปยึดห้ามมันไม่ได้จิตจะหลุดออกมาสั่งให้หลุดไม่ได้หลุดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็เข้าไปได้อีก นี่เขากาลังแสดงธรรมะให้เราดูตลอดสายเลยนะไม่ใช่ว่าตอนหลุดจะเป็นธรรมะตอนเกาะไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เราก็เกิดปิ๊งขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่กำหนดให้มันหายคือมันจะรู้เองเลยค่ะมันมีตอนที่มันเกิดปฏิฆะขึ้นมาแล้วเราคิดว่าจะทำยังไงให้มันหมดดีมันเกิดความกระวนกระวายเจ้าค่ะ แล้วมันก็จะบอกข้างในว่าไม่ใช่กําหนดนะคือกําหนดนี่มันตัดสภาวะอย่างที่หลวงพ่อบอกเราไม่ได้เห็นความจริงของมันเพราะดูอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ปล่อยแล้วมันก็เห็นว่าคือทุกอย่างที่มันเกิดเพราะมันเป็นวิบากแค่นั้นเองใช่เป็นวิบากตัวทุววกข์ทั้งหมดอะเป็นวิบากใช่นี่เราไปแก้ตัวทุกข์ไม่ได้แก้ผลไม่ได้ไ ม, ไม่ทําเหตุใช่ถ้ามไม่ทําเหตุก็ไม่มีผลมันเลยแค่เกิดการยอมรับได้ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนี้เราเป็นผล ของสิ่งที่เราทําเอาไวอ้อถ้าปัญญาไม่เข้าใจตัวเนี้ยเวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตไปรู้เข้าเนี่ยมันจะไม่ดินน้นรนไม่ยินดียินร้ายน ะ, ะแต่ถ้าถ้ายังอาศัยการพิจารณาช่วยเนะี่ยยังไม่ใช่วิปัสนาแท้ถ้าวิปัสนาแท้แท้ยังไม่ใช่ไปคิดว่าเออทุกนี่เป็นแค่วิบากนะเรารับรับไปเถอะอย่าไปดิ้นรนหนีอันนี้ยังใช้เหตุใช้ผลอยู่ ยังไม่ขึ้นมีปั ส, สนาแท้แต่ถ้าเป็นปั ส, สนาแท้เราเห็นทุกข์เราก็เห็นทุกข์ก็ส่วนทุกข์นะจิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันคือบางครั้งต้องอาศัยโยนิโศฮะโยนิโศจําเป็นใช่ฮะไม่งั้นถล่มทลายไม่งั้นอกุศลเกิดช่วยช่วยมันได้แต่เรารู้<ช>ว่าตอนเนี้ยเราช่วยมันพิจารณาหลวงปู่ดูลบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคอาศัยคิดตัวนี้คือตัวโยนิโศที่ว่า ล้าฉลาดแล้วตอนนี้ทำถูกแล้วใช่ไหมคะแต่ใจใจขนาดนี้ไม่อิสระนะดูออกไหมพยายามเฝ้าอยู่นั่นแหะไม่อิสระนะอย่างอาจารย์นวลสิริปล่อยได้จริงๆริอะอ่าเพราะนี้พยายามเฝ้าอยู่อย่าอย่าไปเฝ้ามันมากนะมันไม่ใช่ของเราให้มันหนีไปพอมันหนีไปแล้วเราก็คอยรู้เออมันหนีได้เองฮะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกท่าเบอร์ห้าสิบสอง ระหว่างที่ฟังหลวงพ่อพูดหรือแม้แต่เพื่อนๆพนพูดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเผลอมันเผล อ, อออกไปหันไปบ้างหรือคิดบ้างพิจารณาบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ควรทําแต่ควรจะสังเกตว่ า, ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ที่ที่ไปทํามาก็เห็นว่าจิตมันทุกข์ค่ะ เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อพูดก็รู้สึกว่าเรื่นเรืองในธรรมแต่ข้างล่างมันก็รู้สึกยังทุกอยู่ค่ะหลวงพ่อใช่ีนให้มันทุกไปให้มันทุกไปอ่ะค่ะทุกข์ก็เอาไว้รู้นี่นทุกข์ไม่ได้มีเอาไว้ให้ละนี่เจ้าค่ะคือทําไมสมมติความทุกข์เกิดทําไมเราต้องอยากละทุกข์จะเป็นอย่างที่อาจา ร, รย์นวลสรีบอกเพราะมันมีเรา ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นตัวที่ไปยืดอะค่ะนั่นแหละดีแล้วรู้สึกไหมมันมีเราเงั้นที่ทําเดิมเนี่ยสักยัตที่ฉี่ไม่ขาดนะเพราะเรายัางอยู่งั้นอย่าไปเสียดายนะอย่าเสียดายมันไม่ได้ละจริงเจ้าค่ะพอมาถึงวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมมันมีเราเห็นเจ้าค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่โสดาปฏิมากเกิดขึ้นจริงๆแล้วเวลามองมานะจะกลวงๆแล้วไม่มีเราจะไม่มีเราอีกต่อไปล้เจ้าค่ะอ่ะถัดไปคนนี้ หน้าตาคุ้นๆทำไมเป็นอะไรต้องมียาเขียวน้ำผักค่ะ <c oughs> วันนี้อมีโมหะโทสะแล้วก็สลับกันตลอดเวลาเออดีรูมไปถ้ามันไม่ได้รอกอคุณยายเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะ อ, อยู่ไหนอ่ะบ้าน อ, อยู่ที่ไหนทำงานที่ระยองะะอ่ะค่ะอ๋ออยู่ระยองเนาะ <c oughs> ฮะมีแค่นี้เหรอแค่นี้ค่ะยังยังฟังหลวงฟั ง, ปงไปเลยค่ะคุณยายเป็นไงคุณยายจามนุมัสการค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็อยากถามว่าดวนะอดูอ น, นะแป๊บหนึ่งนะคุณพานิดใจรอยนะว่ะาไปอยากถามว่าถ้าเกิดดูรู้ว่ากำลังคิด กำลังหิวกำลังโกรธอยางนี้แล้วทำยังไงต่อคะอพอดูรู้แล้วให้รู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆนะไม่ได้ทําอะไรหรอกให้ดูไปใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนดูแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์พอเราดูไปนานๆต่อไปมันมีปัญญามันจะรู้เลยเวลาสุขก็สุขชั่วคราวนะไม่เห็นจะน่าดีใจตรงไหนเลยเวลาทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวไม่เห็นจะต้องทุรนทุรายเลย เดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็โกรธจิตก็หลงเห็นมันแต่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องกดไม่ต้องดับไม่ต้องอะไรไม่ไม่ดับมันนะเอาไว้ดูเล่นหน้าเอ็นดูเวลามันโกรธอะรู้สึกไหมเวลามันโกรธหน้าตามันที้ลึกใช่ค่ะเออนะคอยรู้สึกหน่อเอ้าคุณแก้วก็เห็นตัวติดตีกับตัว จัดการชัดเจนขึ้นเป็นตัวอะไรนะตัวติดดีนะฮะ ต, ตัวติดดีแล้วก็ตัวที่ถึไปจัดการชัดเจนขึ้นเห็นนิวรณ์ชัดขึ้นค่ะดีแล้วละ่ลวละพวกเราไม่ติดชั่วหรอกพวกเราคนดีนะพวกเราเราติดดี <c oughs> ไปเ <c oughs> ป็ปเนกับเป็นนักรบแต่แต่งที่ถึงพ่อเคยพูะว่า<ต> <ใจ S 2> สังเกตไหมว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีค่ะไม่มีอะไรเกินการบังคับตัวเองใช่ค่ะมีแค่นั้นเองค่ะ ที่ปรุงแต่งไฟดีนะก็คือบังคับกายบังคับใจใช่ค่ะทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าตามใจมันก็ตามกิเลสใช่ไหมใช่ค่ะอยากดีก็ต้องบังคับมันสุดโต่งมาข้างบังคับก็เห็นชัดเจนขึ้นนะคะดีแล้ว่เบอร์86ค่ะก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำอะค่ะใจวันนี้กับเมื่อวันก่อนเป็นไงก็ต่างกันนะคะไม่ไม่ซดีแล้วค่ะมันก็เบาขึ้นเบาขึ้นนะ อ้าวโอเคก็ฟุง้งเมื่อเช้าดีวันนี้เมื่อเช้าก็มันหลังจากอิ่มฮนะเออตอนนี้ยโมหะเอาไปกินแล้วฟุ้งแล้วก็โมหะแล้วก็บางทีก็มีสลับสดชื่นในช่วงที่มาเนี่ยนะฮะอืมแต่เมื่อเช้าดีกว่านี้เยอะเลยนะครับกีหลังต้องอดนอนก่อนอาหารแล้วทั้งนั้น <laughs> กินข้าวแล้วภาวนายแย่ลง <laughs> แล้วก็อจะมีตอนช่วงเช้าเนี่ยก่อนตื่นเนี่ยนะฮะรู้สึกไหมจิตตอนนี้ยฟุ้งซ่านนะครับพยายามไปคิดมันถึงถึงเรื่องเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นตอนนั้นนะฮะพยายามจะเรียบเรียงเป็นคำพูดไม่ต้องเรียบเรียงอนะ่ะเอาจ<ค>ะเรียบเรีย<ค>ง<ะ>มันทําไมจะถามหลวงพ่ออ<ค>่ะนี<ค>ะ่จะถามทําไมล่ะนั่งดูเราสิไม่เห็นต้องถามเลยไม่มันมันเหมือน มันเหมือนมีคนมาพูดอยู่ข้างหูจนจนจนจนต้องตื่นนะฮะ <c oughs> คือไอ้คนที่พูดเนี่ยคือความคิดเราเองทั้งหมดนะฮะ ม, ม, มันก็มันเหมือนก็มีคนมาปลุกฮะมันคิดดังไปหน่อยคิดดังมากเลยนะ <c oughs> ดังจนต้องจนนอนต่อไม่ได้เลยฮะ <c oughs> ดีสิถือว่าเป็นบุญของเราจะได้ลุกขึ้นมาภาวนาะบางทีมันก็ตื่นตั้งแต่ 3, ตีสามตีสี่นี่อาจารย์นุสรินตื่นตีสามทุกวันไม่เห็นบ่นเลย เราตื่นตีสีก็บ่นนะแล้วไงลืมเลยครับ <laughs> นั่นแหละมันไม่เที่ยงอย่างไรบอกไม่ต้องถามหรอกถามแล้วก็ <laughs> อีกเรื่องหนึ่งคือเวลาตั้งใจที่จะพยายามจะตั้งใจที่จะปฏิบัติเนี่ยมันจะออกมาอยู่ข้างนอกตลอดเลยอยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยมันไม่ยอมเข้ากลับมาที่รู้ที่ตัวเนี่ย <laughs> แต่ถ้าเกิดช่วงที่เราไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติหรือไม่ได้ไม่ได้สนใจที่จะรู้เนี่ยมันกลับสดชื่นของมันเอง ตรงที่ไม่ได้จงใจนแล้วสติเกิดเองอ่ะ่ะตั้งมั่นพอดีพอดีจิดใจก็มีความสุขแผ่วๆโชยขึ้นมาตรงที่อยากปฏิบัตินันน่ะปฏิบัติไม่ได้หรอกกิเลสมันนำหน้าไปแล้วอาการที่มันปวดหัวปลน้ผ่าวจี้ตั้งแต่าจ็ปปีก่อนก็ยังอยู่แต่รู้ละมันมาจากไอ้ที่เราส่งออกอยู่ในร ะ, นระดับที<ด>่มันออกจากเพ่งไปนิดนึงเพ่งเยอะ ตอนนี้ที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังตอ น, นั้นเขียนอยู่ในกระทู้ห้องสมุดทันทิปโอ้ในคนนี้นะเขียนธรรมะดีจังเลยฉรอยจะเป็นพระอริยะชั้นสูงวั <c oughs> นนึงนักขอเจอหลวงพ่อนะบอบ้านอยู่แถวไหนบองอยู่แถวพุทธมนตรบอกจะไปพุทธมนตรพอดีนัดเจอกันพุทธมนตรนัด ก, กันไวนะ้ณศาล า, นะ า, านั้นศาลานี้ ถึงเวลาหลวงพ่อก็ไปรอที่สาระทำไมไม่เห็นมีนักปฏิบัติที่ไหนมาเลยมีไอ้เบื้องนี่มานั่งอยู่คนเดียวนี่เลยรู้จักกันมานานเวลาสอนกรรมฐานจะสอนแบบทนุถนอมไม่ได้จะต้องโขกแล้วโขกอีกนะต้องเล่นบทรุนแรงด่าแล้วด่าอีกแล้วจะดี ถ้าถนอมเมื่อไหร่นะจะทำตัวเป็นลูกคนเล็กทันทีเลยอ้ อ, อนขึ้นมาทันทีเลยนะเห็นตัวโตวเท่าควายนี่แหละแต่อ้อนเก่ง <c oughs> นะต้องโขกแล้วโขก อ, อีกถึงจะค่อยดีเมื่อเช้าอ่ะใช้ได้แล้วตอนนี้มีโมหะครับแล้วการปฏิบัติช่วงนี้ที่เป็นยังไงบ้างคะก็ใช้ได้แล้วไงดูบ่อยๆครับส่งต่อไป ก็มาเฮกับหฮเกะหลายครั้งแล้วค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อก็ค่อยเห็นสภาวะไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับการแผ่เมตตาค่ะหลวงพ่ออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอยากให้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับการแผ่เมตตาหาว่าควรจะทำเมื่อไหร่ยังไงหรือว่าทำลักษณะไหนอะค่ะคือจะแผ่เมตตามันก็ต้องมีเมตต า, าไว้แผ่ก่อน ถ้าใจเรายังไม่มีความเมตตามีแต่ความเร่าร้อนเนี่ยแผ่วไปนะก็แผ่น้ําร้อนออกไปแผ่ไอ้น้ำเดือดๆอดอกไปไม่มีประโยชน์อะไรงั้นการแผ่เมตตาเนี่ยจิตใจต้องมีความรักก่อนมีความเมตตาเกิดขึ้นแล้วต้องค่อยๆฝึกไปสิ่งที่เรารักที่สุดเลยเมตตามากที่สุดเลยคือตัวเองงั้นเวลาแผ่เมตตาเนี่ยปกติเขาจะแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนสงสารตัวเองซะบ้างนะเมตตาตัวเองบ้าง ก็ค่อยคิดลงไปนะมันเป็นเรื่องการคิดเอาขั้นแรกมันเป็นเรื่องการคิดเอาคิดว่าเออนี่นัก็สัตว์ตัวหนึ่งนะนี่ก็สัตว์อีกตัวหนึ่งเลยนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันนะเนี่ยทำความรู้สึกเหมือนมันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเรามีความเมตตาต่อมันปรารถนาว่าให้มันพ้นจากความทุกข์ให้มันมีความสุขเนี่ยค่อยคิดค่อยคิดมันในแง่ดีใส่ไอ้สัตว์ตัวเนี้ย นี่มันจะช่วยถอดถอนความรู้สึกเป็นเราได้ด้วยแผ่ให้มันนะเหมือนกับเราเมตตาสัตว์ตัวนึงแต่ตัวนี้รักพิเศษเสร็จแล้วพอจิตใจมันจะค่อยๆนุ่มนวล น, นะเพราะมันรักตัวนี้อยู่แล้วละ่ะแผ่ง่ายความสุขความสงบเริ่มจะแผ่ซ่านขึ้นมาจิตใจเราจะร่มเย็นมาจากข้างในไม่ใช่แก้งพูดเปล่าๆนะว่าสเพสตาแต่ทั้งหลายตายได้ก็ตายไปอะไรเงีอ มันจะมีความสุขมีความสงบแผ่ขึ้นมาเนี่ยพอจิตใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วความสุขนี้มันจะล้นขึ้นมานะสู่คนรอบๆตัวเรางั้นเราแผ่เมตตาแต่มาเราก็แผ่ให้คนใกล้ๆตัวเราก่อนให้ตัวเองให้คนใกล้ๆตัวปรารถนาให้เขามีความสุขอย่างน้อยเราก็ต้องไม่ไปเบียดเบียนเขาด้วยไม่ใช่พูดแต่ปากแต่ว่าเราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยต้องเกี่ยวกับความประพฤติของเราด้วยนะมีทั้งศีลธรรมครบอยู่ในตัวเอง มีสติมีปัญญาช่วยอยู่ที่เดียวกันนี่พอจิตใจมันร่มเย็นคนรอบข้างมันใจร่มเย็นไปด้วยมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าใจของเราเดือดคลุมครามคลุมครา ม, ม, มนะคนข้างๆมันก็ร้อนไปด้วยไม่มีความสุขหรอกถึงเราจะบอก อ, อ้าขอให้คุณบางออนมีความสุขเถอะเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าใจของเรามีความสุขเข้าใกล้ใครคนนั้นก็มีความสุข เนี่ยเราค่อยๆนึกถึงคนที่ห่างออกไปเรื่อยๆคนที่ใกล้ชิดคนที่เรารักเนี่ยแผ่ให้พวกนี้ก่อนพอความเมตตาความอ่อนโยนของเรามันมากขึ้นมากขึ้นนะมันจะแผ่กว้างออกไปสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนจากเมตตาพรหมวิหารเมตตาพรหมวิหารเนี่ยเป็นการให้แบบเจาะจงคนไปสู่เมตตาอัภัมฐานะไม่มีขอบเขตเป็นเมตตาที่เสมอภาคนะกว้างกว้างแต่อยู่ๆเราอย่าไปเมตตาอย่างนั้นนะ อยู่ๆเรานึกเอาเองแล้วเมตตาสัตว์ทั้งโลกเลยแล้วเราส่งพลังจิตของเราเออกไปแต่ละทิศแต่ละทิศอย่างนั้นไม่ดีนะอย่างนั้นใจไม่ได้เมตตาจริงแต่ส่งพลังงานออกไปหลวงพ่อเคยนะมีคนหนึ่งแผ่เมตตามาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อกำลังนั่งสบายๆอยู่ปึ๊กลงมาอุ้ยยัยกะใครมาเอาซุงมากระทุ้งเราดูอ๋อก็าแผ่เมตตาให้ งั้นใจต้องมีเมตตาก่อนเหมือนเราจะทําทานอนะ่ะเราก็ต้องมีวัตถุทานกันมีเงินมีของมีอะไรค่อยให้เขาได้นะควรจะทําทุกวันไหมคะหรือว่าทำบ่อยๆเ<ำ>มตตาก็เป็นกรรมฐานที่สบายทําแล้วมีความสุขแต่ต้องระวังนะเมตากับราคะใกล้กันใกล้กันนิดเดียวยมีพระองค์หนึ่งเจริญเมตตามากเลยแล้วสติตามไม่ทันะเมตตามากๆราคะมันย้อมเอา มีชื่อเสียงนะตอนนี้หนีไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเอาแค่นั้นเหรอทำไมเอาน้อยจังเอาแค่เมตตาเหรอฮะทำไมเรียนน้อยนักไ อ, อ, อย่างนั้นไม่เจอพระพุทธเจ้าเขาก็สอนได้ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆอะค่ะออก็ค่อยๆดูสภาวะไปเรื่อยๆค่ะที่ทำอยู่ใช้ได้นะจิตมันตื่นขึ้นมาเรื่อยๆแล<ะ>้วรู้สึกไหมเป็นคนใหม่แต่ก็ยังบางสภาวะก็ยัง แกไม่เคยออกอะฮะไม่ใช่ให้แกะนะให้ดูจนเห็นว่าเราทําอะไรมันไม่ได้มันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนเราบังคับมันไม่ได้ให้ดูเพื่อตรงนี้ไม่ใช่เพื่อให้แกะให้หลุดทั้งวันไม่หมายความว่าไม่ทราบว่าเป็นอะไรอ่ะรู้แต่ว่าไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแค่นั้นพอละไม่ต้องรู้ชื่อไม่ต้องวิเคราะห์นอไม่ต้องวิเคราะห์นะอะส่งต่อไปใครไม่รับก็ส่งผ่านไป อยากถามหลวงพ่อว่ า, าการนั่งสมาธิการวิปัสสนาเนี่ยถือว่าเป็ น, ปนจุดเริ่มต้นของอาการทำให้มีสติแล้วให้เกิดปัญญาเพื่ อ, อจะไม่ไปปรุงแต่งจิตถูกหรือเปล่าครับนั่งสมาธิเหรอนั่งสมาธิไม่เกี่ยวอะไรกับวิปัสสนานะคนละเรื่องกันคือกรรมฐานมีสองอย่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้ใจสงบหรือเพื่อให้จิตใจเป็นกุศลอย่างจิตมีโทสะเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆให้หายโทสะอันนี้เรียกว่าสมถะ ท, ทำให้สงบทำให้มีความสุขหรือเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกไปใจเราเคล้าอยู่กับลมหายใจมีความสุขนี่เรื่องของสมถะส่วนวิปัสสนานี่ไม่เกี่ยวกับท่านั่ง ยืดเดินนั่งนอนก็ได้ทั้งหมดเลยถ้าเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเห็นกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่คลเรื่องกันแต่ว่าเราก็อาศัยการทำสมถะพักผ่อนทำสมถะมากๆไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสมถะเหมือนเรานอนพักผ่อนปัญญามันเหมือนทรัพย์สินคนนอนมากๆไม่รวย ต้องออกมาขยันทำมาหากินคือออกมาเจริญปัญญาถึงจะร่ำรวยมีปัญญามากขึ้นแต่ทำงานทั้งวันทั้งคืนมันเหนื่อยก็ต้องรู้จักนอนพักเงั้นเวลาเราเจริญกรรมฐานดูกายดูใจมากๆเหนื่อยเราก็ทำสมถะพักผ่อนคนละเรื่องกันนะคนละส่วนกันวัตถุประสงค์ก็โบราณวัตถุประสงค์ของสมถะเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความดี วัตถุประสงค์ของมิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจคนละอันในเวลาที่เรามีความรู้สึกโมโหโกโรธหรือโศกเศร้าดีใจแล้วเราเหมือนเราคุยกับตัวเองว่าจะไปทุกข์ทำไมหรือจะไปเศร้าทำไมจะไปดีใจทำไ ม, มแล้วก็เหมือนกับช่วยพยายามก็ไม่ต้องไปคิดไ ป, ปอะไรกับมันอันนี้ถือเป็นการปรุงเป็นปรุงแต่งเป็นสมถะเป็นสมถะก็ อ, อยากให้หาย แม้มันโกรธขึ้นมาโออย่าไปโกรธก็เลยน่ะเขาก็ลําบากเราก็ลําบากสัตว์โลกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหายโกรธก็เป็นสมถะถ้าทํำวิปัสนาจิตมีความโกรธขึ้นมาเราเห็นเลยจิตเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธความโกรธเนี่ยอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในจิตไม่ได้เจตนาจะโกรธมันก็โกรธของมันเองจิตนี้มันไม่เที่ยงมันบททีแรกมันเฉยๆตอนนี้มันโกรธมันไม่เที่ยงหรอก มันทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เมื่อกี้เฉยๆทนเฉยอยู่นานๆไม่ได้ตอนนี้โกรธไปละหรือเห็นอะมันมันจะโกรธก็ห้ามมันไม่ได้นี่อนัตตาบังคับมันไม่ได้เนี่ยเห็นความจริงไม่เหมือนกันนะพอเห็นความจริงมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งเราก็จะรู้เลยจิตจะสุขก็สุขชั่วคราวจิตจะทุกข์ก็ชั่วคราวจิตจะโลภจะโกรธจะหลงก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลย เั้นต่อไปอะไรเกิดขึ้นนานจิตใจมันไม่ดิ้นรนไม่หวั่นไหวเนี่ยแต่เดิมความสุขเกิดขึ้นก็ดิ้นรนนอยากให้อยู่นานๆความทุกข์เกิดขึ้นก็ดิ้นรนอยากให้หายแต่ถ้าสติปัญญามันเกิดไมาเห็นต้องของชั่วคราวไม่เห็นจะต้องดิ้นเลยเดี๋ยวมันก็ไปการวิปัสสนานรเรียนเพื่อให้เห็นความจริงส่วนใหญ่ไมาเจอแบบตอนที่มันทุกข์นะครับอ ย, อย่างอย่างน้องเขาบอกพอเรารู้ตัวปั๊บเราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่า อ า, อารมณ์จ ะ, จะดีขึ้นจะเย็ยนเย็นลงแต่ก็เหมือนว่าเราโกรธอยู่เพราเรารู้ตัวว่าเราโกรธเราก็ไม่โกรธละแต่เราจะรู้รู้สึกว่าเป็นสภาวะที่มันช่างเป็นทุกข์อย่างตอนสุข์นี้ผมไม่ค่อยรู้ตัวก็ดีแล้วทุกข์บ่อยๆนะมันบ่อยดีนะขอบคุณครับถ้าอันไหนอยู่ตรงไหนแล้วมันมีสติบ่อยเอาตรงนั้นแหละดี <c oughs> เพิ่งมาฟังเทปหลวงพ่อได้สักอาทิตย์กว่าๆนะคะก็เลยลองทําแบบของหลวงพ่อดูแต่ก่อนหน้านี้หนูก็ทํานั่งสมาธิดูลมอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูก็ไม่ได้คิดอะไรคือปล่อยคือก็ดูนิ่งไปมันก็คล้ายๆกับไปจิตเหมือนว่าไปรู้ว่าเราต้นไม้ดินอะไรพวกเนี้ยมันอันเดียวกันคือตัวหนูอะ่ะกับ ก้อนหินก้อนนะ่ะไอพวกน้ําอากาศอะไรพวกนี้มันคืออันเดียวกัน mm hmm. แล้วมันหายไปพอหนูลืมตาขึ้นมาณตอนนั้นนะคะหนูก็รู้สึกว่ามันเราไม่ได้แบกอะไรไว้เลยจริงๆแล้ว mm hmm. แต่มันแค่แค่วันประมาณแค่วันกว่าๆเองหนูก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก mm hmm. ตอนนี้หนูก็เลยมาทำแบบลองทําแบบของหลวงพ่อดูบางครั้งก็รู้สึกว่าจิตตื่นได้แต่บางครั้งถึงแม่หนูจะรู้อารมณ์นั้น มันก็เข้ามาเป็นตัวหนูอยู่ดีไม่ใช่ว่าหนูจะทําได้เลอเราบังคับไม่ได้เราเลือกไม่ได้เราบังคับไม่ได้รู้สึกไหมใช่ค่ะนั่นแหละธรรมะบางครั้งหนูก็ตื่นแต่บางครั้งหนูก็ไม่ได้ตื่นต่อให้หนูรู้ทันมันหนูก็ไม่ตื่น อ, อนั่นแหละธรรมะถ้าหนูทําได้อย่างที่หนูต้องการตลอดนะมันก็เป็นอัตตานี่มันอ น, อนัตตานะมันบังคับไม่ได้ค่ะหนูก็เข้าใจตามตามนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าหนูบังคับไม่ได้หนูก็เข้าใจตามนั้นจาั้นเราดูไปด้วย ดูไปเรื่อยก็แค่นั้นใช่ไหมคะแค่นั่นแหละตอนนี้หนูมีอะไรต้องแก้ไขมากกว่านี้คะ่ะที่หนูตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นนะค่ะใจมันกระจัดกระจายฟุ้งซ่านอยู่ทราบไหมขณะจิตเนี่นยหนูควรทาสมถะก่อนสมถ ะ, ะไม่เลิกนะเอ <c oughs> ไม่ใช่ว่าทํากรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกเราทิ้งสมถะไม่ใช่แต่ว่าเราจะทําสมถะตอนไหนเราก็ต้องรู้จัก ถ้าเมื่อไรเราสามารถดูจิตดูใจของเราได้เราก็ดูไปเลยไม่ต้องเสียเวลาดูไปเลยทํำมิปัสนาไปค่ะถ้าดูจิตดูใจไม่ได้ก็ดูร่างกายเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูทําได้ไหมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูทําได้ไหมบางครั้งค่ะไม่ทําได้ทุกครั้งอถ้าดูกายดูใจได้ก็ดูใจไปดูใจไม่ได้ก็ดูกายเห็นมันเคลื่อนไหวไป ดูไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ทําสมถะสมถะ เ, เป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายของเราอ๋อค่ะพอเราทําสมถะจิตใจสบายเราก็กลับมารู้ทันว่าจิตสบายแล้วกลับมาดูจิตได้ละไม่ไม่ทิ้งนะสมถะแต่ว่าเราต้องมีปัญญารู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรเวลานี้จิตใจของเราเข้มแข็งดีแล้วพร้อมที่จ ะ, จะเจริญปัญญาแล้วก็อย่าวิ่งไปหาสมถะมันขี้เกียจ <Okay. S 2> เดี๋ยวมันจะขี้เกียจไม่ยอมเจริญปัญญาหรือว่ามันฟุ้งซ่านเต็มทีแล้วเจริญปัญญาไม่ได้แล้วยังฝืนจะเจริญปัญญาก็<ๆ>ไม่ได้อะไรฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> ต้องรู้จักนะตอนไหนควรทําสมถะอนไหนควรทำํำอิปัสสนาะส่งตอบไปเ <Okay. S 2> พราะบางครั้งเรื่องนึงเรื่องเดียวกันบางครั้งเราก็กิดวางได้บางครั้งก็วางไม่ได้เออดีแล้วนะเขาสอนธรรมะเรานะ เห็นไหมเธอบังคับฉันไม่ได้หรอกจิตใจเนี่ยเราจะดูไปด้วยจนวันนึงเราเห็นมันเหมือนคนอื่นเลยนะเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเรื่องเดียวกันเรื่องแบบเดียวกันบางวันก็วางได้บางวันก็วางไม่ได้ห้ามไม่ได้มันทำของมันเองครับแล้วเวลาสมมติถ้าช่วงขับรถหรืออะไรเนี้ยควรบัตรยังไงฮะ ขับรถเหอรอปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ใช่เวลาทำอย่างอื่นน ะ, ะเคยมีเด็กคนหนึ่งนะหัดดูจิตแต่ดูไม่เป็นไปเพ่งจิตเพ่งตามองเห็นไฟแดงเห็นรถติดอยู่อีกห้าคันข้างหน้านะสักแต่ว่าเห็นมันไปชนเขาทีเดียวห้าคันเลยนั้นต้องรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร ก็ก็คือดูรู้ตัวไว้มีหน้าที่ขับรถก็ตั้งใจขับรถก็คือตั้งตั้งมั่นอยู่กับดูถนนคนทางแล้วก็เออก็ว่าต้องสุขก็ขับขับไปเจอคนเขาปาดหน้าโมโหรู้ว่าโมโหนี่ปฏิบัติตรงนี้ฮ้าหากวันนี้ขับไปเจอไฟเขียวปิ่งมาเจอไฟเขียวทั้งวันเลยดีใจเคยเจอไหมวันนี้ไปเจอเด็ไฟเขียววันนี่โชคดีสดชื่นเลยรู้สึกสดชื่นรู้ว่าสดชื่น ถ้ารถจอดแถวยาวๆอยู่แล้วไฟเขียวรู้สึกไ้ยไม่ค่อยสดชื่นกลัวว่าไม่ทันเดี๋ยวมันจะแดงซะ ก, ก่อนใจเรากระสับกระส่ายกลัวไม่ทันไฟเขียวก็รู้ทัน <Okay. S 1> ถ้าพอจิตใจเราสงบตั้งมั่นดีแล้วก็ทําหน้าที่ขับรถของเราต่อไปเพราะงั้นถามว่าขับรถแล้วปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะ <Okay. S 1> ถึงจะเรียกว่าทาหน้าที่นรั ก, การครับหลวงพ่อ เออพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อไม่นานแต่สงสัยว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่าที่หลวงพ่อสอนก็เลยวันนี้ก็เลยมาอืฟังฟังแล้วก็ยังงง ง, งเห็นกิเลสไหมกิเลสเกิดบ่อยไหมเห็นบ่อยครับโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยดูหนังดูละครนี่ดูไม่ได้เลยต้องไม่ดูเลย เ, เพราะว่ากิเลสมันเกิดชัดอืมนั่นแหละถ้าเห็นกิเลสก็ใช้ได้ละ คือภาวนาเนี่ยเราเพื่อใจได้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแต่เราเห็นกิเลสเราก็ไม่น่าจะไหวไปตามกิเลสนะฮะราะกลับกลับกลายเป็นว่าเราไหวไปตามกิเลสแสดงว่ามัน <สะ S 1> ไม่น่าจะถูกเราเรายังไม่เข้มแข็งพอกิเลสยังย้อมใจเราได้ทั้งๆ ท, ที่เห็นเห็นอยู่นะแต่ว่ามันไม่ขาดนั้นสติจริงๆยังไม่เกิดถ้าสติตัวจริงเกิดนะกิเลสจะดับทันทีเลยแต่ว่าได้อย่างนี้ก็ดีแล้วลนะ่ะหัดใหม่ๆได้ขนาดนี้ก็ดีแล้ว ดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเราดูถูกหรือดูไม่ถูกครับบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่กรุงเทพครับอยู่ทางแล้วมาที่นี่บ่อยๆก็แล้วกันขอบพระคุณหลวงพ่อความจริงกับผมมาขั้งนี้เป็นขั้นแรกด้วยการแนะนําของอัญยาณมิตรคือท่านอาจารย์ดร น, นวลสิริกับผม ไม่มีอะไรสงสัยนึกสงสัยอยู่แต่หลวงพ่อก็อธิบายไปหมดแล้วก็ดีใจชื่นใจแล้วก็พอใจแล้วก็จะดูใจไปอย่างที่หลวงพ่อสอนต่อไปโอ้สาธุนะยมคบคนถูกแล้วยมมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรของสาคัญนะกัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์เยดีแล้ว การมหกรรมหลวงพ่อครับก็วันนี้พาลูกสาวมาฮะไปเทอมครับสของผมเองก็เห็นอะไรชัดเจนขึ้นเริ่มเบาขึ้นดีแล้วทําถูกแล้วขอบคุณมากครับมรนะก็อยากจะให้ลูกสาวได้สมรรถธรหลวงพ่อบ้างนะครับมึง ก, กลัวอยู่ยังกลัวเหรอครับเดี๋ยวต้องเห็นหน้าบ่อยๆจะได้ไม่กลัวอเอดีห <ใน S 1> ลวงพอ่งพอยังไม่เห็นเลยเขินไหม ไม่กล้าพูดอะคะ่ะอ้าวแล้วใครพูดเนี่ยอ๋อเวลาเรียนอะไรอย่าคะ่ะมันทําไม่ได้อะค่ะถ้าสมมติเวลาทําแล้วมันจะไม่ได้ฟังที่ครูขเขาพูดเป็นประโยคเลยครับเวลาเรียนหนังสือตั้งใจเรียนถ้าเราไปเจริญสติเราจะฟังไม่รู้เรื่องที่จริงแล้วที่เราฟังรู้เรื่องเพราะว่าเราฟังไปคิดไปตรงนี้ดูออกไหม ที่เราฟังเนี่ยสังเกตไม่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังสลับแกะคิดดูออกไหม<ะ>ที่เรารู้เรื่องเพราะว่าเราคิดไม่ใช่เพราะฟังหรอกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีสติขึ้นมาใจเราไม่ไปคิดนะเราจะฟังไม่รู้เรื่องงั้นเวลาหนูเรียนหนังสือนะไม่ใช่เวลาเจริญสตินะตั้งใจเรียนนะแต่ว่าพอเรียนไปเรียนไปแล้วขี้เกียจให้รู้ว่าขี้เกียจตรงนี้เป็นเวลาปฏิบัติละ รู้สึกัหมแต่ละวิชาชอบไม่เท่ากันค่ะเออวิชานี้ชอบเวลาจะเข้าเรียนรู้สึกมีความสุขรู้สึกไหม<ฆ>บางวิชาไม่ชอบเรียนแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกไหมเนี่ยให้เรารู้ทันตรงนี้ใจเราชอบเราก็รู้ใจเราไม่ชอบเราก็รู้นะเวลาเราจะกินขนมมีให้เลือกหลายอย่างรู้สึกไหมเราชอบแต่และอย่างไม่เท่า <Led>. กันเวลาเรามีกับข้าวหลายอย่างเราก็ชอบไม่เท่ากัน อันนี้ชอบมากอันนี้ชอบไหนให้เรารู้ใจของเราเรื่อยๆนะแล้วก็ชอบอันไหนก็กินอันนั้นนะหลวงพ่อไม่ห้ามนะคือหลวงพ่อบอกว่าชอบอันไหนก็ไปทานของที่ไม่ชอบเดี๋ยวไม่อยากปฏิบัติเคยอยากดูการ์ตูนบ้างไหมเคยค่ะ <c ười> อยากจะดูการ์ตูนให้รู้ว่าอยากดูการ์ตูนนะแล้วก็ค่อยดูอยากจะทานขนมรู้ว่าอยากทานก่อนแล้วก็ค่อยดูอยากจะคุยกับเพื่อนเคยอยากไหม ให้รู้ก่อนนะว่าอยากให้รู้ก่อนใจมันอยากคุยให้รู้ว่าอยากคุยใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆอายุเท่าไหร่แล้วทสิบสองค่ะเออกำลังฝึกอยู่แหละเข้าท่านะมีเด็กคนหนึ่งสิบเอ็ดขวบเด็กผู้หญิงเหมือนกันอยู่แถวพัทยาเนี่ยโอยเวลาพูดสภาวธรรมนะมันพูดชอชอชอชอผู้ใหญ่กลัวเลยเห็นเลยจิตมันทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นนะเห็ น, นกลไกของมัน น่าฟังเด็กๆหัดง่ายนะหัดแต่เด็กๆกันดีแล้ว <Okay. S 1> แล้วจิตใจของเด็กๆนีเ่เป็ น, นใจิตใจที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจิตใจของผู้ใหญ่นะมีข้อมูลเดิมอยู่เยอะเกินเวลาฟังอะไรก็ศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆฟังยากเนี่ยใจลอยแล้วหนูรู้ไหมใจหนีแวบๆบแบบแบบไปนึกออกเปล่าเมื่อกี้นี่เผลอไปเผลอค่ะ <Okay, okay. S 1> เออนั่นแหละมันเผลอนะ ให้คอยรู้ทันนะใจมันไหลแแวบไปเราก็รู้ทันเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้รู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะหัดรู้ทันตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยดีที่สุดเลยหัดรู้จิตตัวเองไว้ให้ดีนะพอเรารู้จิตตัวเองชนานาญแล้วต่อไปเรารู้จิตคนอื่นได้ด้วยไอ้หนุ่มหน้าไหนก็หลอกเราไม่ได้นะเ อ, อหัดไว้นะข้ออย่าได้หายกลุ่มขอบคุณค่ ะ, ะมีอีกไหมมีใครอีกไหม คือตามปกติเนี่ยเวลาที่จะขยับขยื้อนอะไรเนี่ยลุงพ่อบอกไม่ให้กําหนดแต่จิตมันรู้ว่ามันอยากแล้วก็มือก็เอื้อมไป<ช> อ, อันนี้มันก็คือกําหนดไม่ใช่หรืไม่ไม่กหนดหมายถึงมันจงใจถ้ามันรู้เองไม่เป็นไรแต่เราสติเราไวนะมันจะขยับขยื้อนความอยากจะเกิดทั้งวันเลยเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังให้คอยรู้ไปเรื่อยๆเอตรงนั้นต่างจากการที่กําหนดนะใช่ป่ะต่างกันตรากำหนดชอบไปคิดเติม คิดซ้ำเข้าไปพอเห็นสภาวะแล้วชอบไปคิดเช mm hmm. ่นพอมันอยากขึ้นมาต้องไปอยากหนออะไรเงี้ยนะอะไรเหมือนไปคิดซ้ำให้รู้สภาวะในปัจจุบันไปได้แต่การรู้จะต้องสบายถ้ารู้แบบเราจงใจตั้งเอาไว้ก่อนแล้วรอรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้จะเครียดให้สภาวะเกิดก่อนเช่อนอยากจะพูดอยากจะฟังความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วสติค่อยรู้อย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเราไปตั้งไว้ก่อนจะมาทําหน้าให้ดูนะ แล้วเรารอดูว่าเมื่อไหร่มันจะอยากอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะให้ความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยรู้ที่นี้ความละเอียดจะต้องแค่ไหนก็คือเข้าที่ทําได้การเข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องรู้ธรรมะที่ละเอียดถึงจะเข้าถึงมรรคนิพพานนะเพราะธรรมะที่หยาบและธรรมะที่ละเอียดแสดงไตรลักษณ์เท่าเทียมกันงั้นบางคนขีดโมโหเห็นแต่ใจโมโหแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็โมโหแล้วก็หายไปเห็นอยู่แค่นี้ก็บรรลุได้ หเห็นเลยจิตที่จะโกรธกับจิตที่รู้สึกตัวไม่โกรธเนี่ยเราเลือกไม่ได้เห็นแค่นี้ก็บรรู้ได้บางคนสติปัญญากล้าเห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดอย่างเห็นตัณหาการเห็นตัณหาเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนาเนเราจะเห็นเลยทุกครั้งที่เราจะขยับตัวอะไรเนี่ยมีความอยากนำหน้าไปเรื่อยๆเราเราก็รู้ทันแต่อย่าจงใจรู้อย่าตั้งรู้ไว้ก่อนฝากอาจารย์นวลสิริดูตรงเนี้ย จะจงใจรู้ไว้ก่อนคือไม่ไม่ต้องกําหนดไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องรู้ไหมว่าปากริมฝีปากบนริมฝีปากไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นไม่จำเป็นเลยนะเอาอันเดียวเลยรู้ใจของเรานึกว่าจะต้องไปละเอียดถึงอย่างนั้นนะไม่ต้องละเอียดอย่างนั้นถ้าละเอียดอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดจงใจไปดูเดี๋ยวก็จะไปเพ่งริมฝีปากเห็นเหมือนดูหนังตะลุงนะแงบแงบแงบไม่ดีเราไม่จําเป็นต้องไล่ทางอายตนาทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องไล่ทั้งหอันหรอก รู้ไว้ที่มโนทวา น, นันเดียวเลยเพราะว่ากุศลอกุศลสุขทุกมรรคนิพพานนี่เกิดขึ้นที่จิตทั้งหมดเลยนั้นให้คอยรู้ทันจัดจิตใจของเราไปจิตใจไปยึดถือจิตใจเป็นตัวเป็นตนจิตใจวางความทุกข์ออกไปจิตใจเป็นไงคอยรู้เรื่อยๆรแค่นั้นพอละเคยเข้าใจว่าอย่างในกรณีที่เราจะกระพริบตาเนี่ยให้รู้ว่าเราอยากกระพริบตาแล้วถึงกระพริบตาแล้ไม่จําเป็ น, ปนไม่จําเป็นนะ ให้มันกับพลิบไปตามธรรมชาติอ่ะเช่นเราเห็นคนกำลังจะเอาไม้มาจิ้มตาเราไม่ต้องไปพิจารณานะคือจริงๆแล้วเราฝึกเนี่ยฝึกธรรมดาที่สุดลองดูตัวอย่างพระอรหันต์สมัยพุทธกาลกริยาท่าทางหรือวาจาไม่เปลี่ยนแปลงนะถ้าฝึกอย่างที่โยมว่านพระอรหันตุุงองจะมีแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยจะช้าๆเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละภาษารีบุตรเนี่ยเห็น <c oughs> ท้องล่องก็กระโดดข้ามเลยไม่มีมากําหนดว่าอยากกระโดดแล้วก็คิดจะไปหาไม้มาพาดอะไรนี้ไม่มีนะคือ <c oughs> ท่านเป็นยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นแต่ละองค์มีจริตนิสัยต่างๆกันไปนี่ถ้าเราเหมือนกันหมดนะจะกระพริบตาจะอะไรก็ต้องรู้เหมือนกันหมดเนี่ยมันจะเป็นควบคุมแล้วเครียดเครียด ถ้าเกิดทำอย่างนั้นบราารลุพระอรหันต์นะพระอรหันตุกองค์ต้องเหมือนกันหมดเลยนั่งก็เหมือนกันนะเดินก็ท่าเดียวกันอนะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอ่าเบอร์25ครับหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีความก้าวหน้าหรือว่าลงทางไปแล้วนะคระเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนพายเรือในอ่างกับหลวงพ่อกับไม่มีไปไหนเลยอยู่ที่เดิมนี่แหละ <c oughs> ที่อยู่ที่กายกับใจเนี้ยเราเรียนรู้ซ้ําๆำ ซ, ซากซทุกวันนะแต่ความเข้าใจต่างหักที่เพิ่มขึ้น แล้วก็รู้กายรู้ใจมันก็ยังมีของแค่นี้ไม่ใช่ว่าต้องไปที่อื่นนะครับแสดงว่ายังปฏิบัติถูกอยู่ใช่ไหมครับยังถูกอยู่แต่จิตตอนนี้มีโมหานิดนิดครับเบอร์หกสิบเก้ากราบนมัสการ์พ่อครับเออแต่เดิมนี่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็มากราบหลวงพ่อก็สักสีห้าครั้งนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เชื่อฟัง เร่องจะมาเริ่มก็ระยะหลังๆนี้ครับก็กะไว้ว่าจะมาบ่อยขึ้นเท่านั้นเองมาไม่มาไม่เป็นไรหรอกนะแต่ดู บ, บ่อยๆก็แล้วกันดูเรื่อยๆถึงเราเจอหน้ากันทุกวันอย่างเบอร์หนึ่งเบอร์สีมาทุกวันนะแต่ถ้าใจไม่เห็นธรรมะภายในก็เหมือนไม่ได้เจอกันแต่ถ้าหัดเองนี่มันผมว่าไม่เหมือนกันครับ หลวงพ่อก็พยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้คนมาเยอะทถ้าลองหัดเองคือฟังเองดูเองมันจะเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้างนะครับดีแล้วใคอยดูเรื่อยๆะครับก่อนนี้บอกว่าเนี่ยมาไม่มาก็ฟังซีดีเหมือนกันนะอาจารย์ฐา น, นิดบอกไม่เหมือนนะไม่เหมือนครับอคุณพิยดาหลงอยู่คนหนึ่งก็เอ่อ เผลอเผลอบ่อยขึ้นเห็นเผลอนะเมื่อก่อนนะไม่เห็นลูกสาวภาวนาเก่งมากเลยน ะ, ะเขาเขาไปซื้อองค์หญิงกรมะลอมาให้แม่ดูเพื่อที่จะจิตจะได้ออกมารับนะรู้ไอ้ละครเขาเรียกอะไรฮะละครจีนหนังจีนค่ะเขาบอกว่าจิตแม่จะได้ออกมารู้ว่าชอบไม่ชอบอะไรอย่างเนี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกจิตแข็งแรงขึ้นนิดนึงจิตไปหลบอยู่ในถ้ำไม่แข็งแรงหรอกแต่พอเช้าขึ้นมาก็ชอบเข้าถ้ำก่อนนะคะก็ยังดียังออกจากถ้ำได้บ้างเบอร์75ยังติดการปรับพองนะรู้สึกไหมคุณผู้ชายวันนี้ดีละหลวงพ่อครับมันมีอีกอันหนึ่งที่เกิดก็คือสงสัยว่าจะเป็นวิบากกรรมเพราะว่าเคยไปว่าพระที่เทศใน AM อะค่ะที่พูดว่า ดูไปนะโยมจีบมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดเนี้ยค่ะพูดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับนานมากเลยแล้วหนูก็บอกคุณพ่อว่าเลิกฟังได้แล้วพรเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ตอนนี้มันเห็นเองมันก็เลยบอกว่าเห็นไม่หยุดนอคะห้ามเห็นก็ไม่ได้ต้องไงหลวพ่อไม่ค่อยเข้าใจอะไรกระแดกกระแดกเกิดดับค่ะอ๋อเกิดดับก็ดีแล้วนี่เอาวันนี้แค่นี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อขอคุยกับพระะ